ช้างช่วยท่านพลีเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ไม่เหลือบากกว่าแรงสำหรับท่านผู้บำเพญบรารมีที่มีเรื่องสุดวิเศษอัศจรรย์เช่นนี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระวรากายเหมือนมนุษย์แต่สามารถสเสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง ระมลัยสามารถท่องแดนนรกสวรรค์ได้เหมือนเที่ยวไปในเมืองมนุษย์สามเณรสังกิจจามันดาท่านตายในขณะที่ท่านยังอยู่ในท้องเขานาศพมันดาท่านไปเผาไฟเผาไหม้เพียงเนื้อหนังของมารดาแต่ตัวท่านปลอดภัยนอนอยู่ในกองเพลิงที่ลุกไหม้เหมือนนอนอยู่บนดอกบัว พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสามารถเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกในภพภูมิทั้งสาหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนสามารถนำธรรมะออกเผยแผ่ทั่วประเทศไทยกู้ชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตเศรษฐกิจและนำเงินและทองคำเข้าสู่คลังหลวงได้เป็นจำนวนส1บอตันกว่าคิดเป็นเงินโดยรวมหลายหมื่นล้าน นี่คือเรื่องจริงๆที่ปรากฏมีมาแล้วเรื่องจริงจึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดถึงบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พรหมโลกและพระนิพพานของคนและสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรมานานเนาสมัยหนึ่งท่านพลีท่านท่องเที่ยวกรรมาฐานทางภาคเหนือตอนล่างได้พรัดหงป่า ได้ช้างมาช่วยชีวิตไว้แต่ก่อนอื่นขอนําเรื่องพระพุทธเจ้ากับช้างมาเล่าก่อนหลักฐานแห่งความเชื่อและความจริงจะได้ชัดเจนขึ้นท่านผู้อ่านจะได้เรียงลาดับเรื่องถูกในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงเบื่อนายพระธรร ม, มกริถึกและพระวินัยทอนที่ว่ายากสอนยาก ล้อ ก, กันเรื่องพระวินัยทรงสั่งสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังพระองค์จึงเสด็จปลีกวิเวกไปอยู่เพียงลําพังพระองค์เดียวที่บ้านปาลินเนยกะ ร, ราวป่ารักิตวันใต้ต้นสาระใหญ่ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ตรัสภาษิตธรรมว่าการอยู่คนเดียวประเสริฐที่สุดในหมู่ชนพนันย่อมไม่มีเพื่อนแท้ ป่านั้นพระยาช้างปาลิลยกะได้ทำหน้าที่เป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้ามันใช้งวงหักกิ่งไม้กวาดบริเวณที่พระพุทธองค์ทรงประทับเสร็จแล้วจับหม้อด้วยงวงตักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้ต้มน้ำร้อนถวายด้วยการเอางวงสีไม้แห้งให้เกิดไฟเมื่อน้ำร้อนเสร็จก็นิมนต์พระศัสดาลงมาสง่ง เมื่อพระบรมศาสดาเข้าไปบินบาตพระยาช้างนั้นก็เอาบาตรและจีวรวางไว้บนตะพองเดินตามหลังไปจนถึงแดนบ้านปาริยกะเธอรออยู่ที่นี่ก่อนพระศาสดาตรัส ด, ด้วยพระสุรเสียงอันนุ่มนวลพระยาช้างรอจนกว่าพระศาสดาเสด็จกลับแล้วรับบาตรและจีวร กลับเข้าป่ารักขิดวันตามเดิมเมื่อถวายพระตาแต่พระศาสดาแล้วพระยาช้างได้นั่งถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ภาพแห่งช้างถวายงานพัดนั้นคงจะน่ารักน่าชังม่ใช่น้อยในวงเล็บถ้าเป็นสมัยนี้มนุษย์คงแตกตื่นหือหากันทั่วโลกเพราะมนุษย์สมัยนี้ชอบตื่นตูมเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังตื่นข่าว ในราตรีพระยาช้างได้ถือท่อนไม้ใหญ่ด้วยงวมเดินรอบบริเวณป่าที่พระสัสดาประทับอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยจากเนื้อร้ายหรือจากอันตรายอื่นใดจนกว่าอารุณจะขึ้นมาใหม่จึงถวายน้ำสงพระพักทําอย่างนี้เป็นกิจวัตรในป่านั้นมีลิงใหญ่ตัวหนึ่ง กระโดดร้องโกกโก้ไปมาตามกิ่งไม้เห็นพระยาช้างทำกิจวัตรปฏิบัติเช่นนี้ทุกๆวันเกิดความศรัทธาอยากทำอย่างนั้นบ้างจึงไปหารวงพึ่งมาถวายพระศัสดาบ้างพระศัสดารับแต่ไม่ทรงเสวยลิงนั้นจึงเข้ามาจับรวงพึ่งดูเห็นตัวอ่อนติดอยู่จึงเขีย่ยออกแล้วถวายใหม่ เมื่อเห็นพระศาสดาสวยแล้วจึงดีใจเลยเถิดทั้งฟ้อนทั้งรําทั้งร้องทั้งกระโดดโลดเต้นไปมาเยียบกิ่งไม้แห้งหักร่วงลงมาเสียบต่อไม้ปลายแหลมตายคาที่ได้ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานทองสูงส0โยชนมีเทพอับษรหนึ่งพันเป็นบริวาร ครันพระอานนท์และภิกษุห้าร้อยลูกมาอาราธนานิมนให้พระศาสดาเสด็จกลับช้างไม่ยอมให้กลับปาลิเลยกาพระศาสดาตรัสเรียกเราไปครั้งนี้จะไม่กลับมาอีกญาณวิปัสสนามรรคและผลย่อมไม่มีแก่เจ้าในอัตภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิด พระยาช้างเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็เอางวงสอดเข้าปากร้องไห้เหมือนเด็กน้อยที่พ่อแม่ทิ้งไว้กลางปา่าร้องร่มหาจนกระแสเสียงและสายน้ำตาเหือดแห้งเมื่อพระสัสดาเสด็จลับตาไปมันยกขาหน้าขึ้นตาฉเฉงเอมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาพระพุทธองค์ด้วยความเสียใจอาลัยสุดประมาณ หัวใจมันจึงแตกสลายล้มตายลงในทันทีไปเกิดในสวรรค์มีวิมานทองสูง30โยอมีนางเทพอับสอน0 0 0เป็นบริวารเรื่องที่จะเล่าต่อไปเป็นเรื่องท่านพ่อหลีกับช้างใหญ่ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่หลี กุสละทโรพระอารีย์เจ้าแห่งวัดป่าภูผาแดงจังหวัดอุดรธานีท่านได้เล่าเรื่องท่านพอหลีกับช้างให้ฟังอย่างน่าตื่นเต้นผู้เขียนเห็นว่าเป็นกติดีเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จึงนำมาเล่าให้ฟังว่าสมัยหนึ่งหลวงปูหลีกุสละทโร ได้ทุดงทางอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไปพบกับท่านพอหลีธรรมมทโรได้ทุดงอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเช่นกันเมื่อท่านเข้าไปคารวะท่านพอรอหลีแล้วท่านจึงขอโอกาสนวดเส้นถวายในขณะที่นวดเส้นถวยนั้นท่านพอหลีได้เล่าเรื่องประสบการณ์ต่าง ที่ประจนมาจากที่ต่างๆให้ฟังไปเรื่อยๆจนคนที่นวดถวายลืมเวลาเวลาฟังแล้วหูตาแจ้งไม่ง่วงนอนเพลินใจตื่นเต้นสนุกสนานในธรรมลีลาของท่านยังบอกไม่ถูกท่านพ่อหลีเล่าว่าขณะที่ท่านท่องเที่ยวทุดงเดินไปตามป่าเรื่อยๆค่ำที่ไหนก็อาศัยนอนในป่านั้น ไม่หวนต่อมอรณะภัยใดรักษาแต่ใจตัวเองที่ชอบท่องเที่ยวพาเกิดพาตายเป้าหมายอันสูงสุดคือวิมุติธรรมท่านเที่ยวเพลินอยู่ในป่าใหญ่ที่มีต้นไม้สูงราฟ้าลิงข้างสัตว์เสือช้างป่าร้องลั่นสนัน่นไพรเหมือนเพลงขับกล่อมย้อมใจให้หลงไหลในรสธรรมชาติท่านอุทานว่า ธรรมชาตินี้ช่างดีงามล้นไม่มีการเสแส้งทมส่วนมนุษย์นี่สิทำตัวสงบสงเวยมแต่ใจเหมือนเปรตเหมือนผีที่วากำลังผ่านราตรีกำลังล่วงเข้าเหล่าสัตว์กลางคืนกำลังลืมตาเตรียมตนเพื่อออกหากิน แล้วท่านเดินชมถ้ำชมทิวผาแมกไม้ทาวันในเวลาย่ำข้ามไปเรื่อยๆประคองกายและสติพิจารณาธรรมบางประการไปพร้อมๆกับย่างเท้าก้าวเดินขณะที่เดินเพลินไปเรื่อยนั้นไม่ทราบว่าได้หลงทางหลงป่ามากไกลเพียงไรแวกม่านป่าไปทางใดก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบมนุษย์สคนพบแต่ทางช้าง ทางเสือทางสัตว์ ร, ร้ายทางแห่งอันตรายสัพักเสียงร้องกระหึ่มของเจ้าป่าดังก้องกำปนาดมันร้องเพียงครั้งสองครั้งก็เพียงพอที่จะทําให้ป่าสงบสงัดในทันทีเสียงอันแสดงแสนยานุภาพแห่งพลังอํานาจทําให้สัตว์ที่ได้ยินขนพองสยองกล้าว ทำให้สัตว์จะถบททวิบาทรระมัดระวังตนแจแอบหลีกลนีหนีหายพลางกายเข้าที่ซ่อนเร้นโดยเร็วป่าสงบนิ่งราวกับว่าไร้สิ่งมีชีวิตแต่ท่านพ่อลีท่านยังคงเดินดุ่มๆตามเดิมโดยไม่แสดงอาการตื่นเกรงกลัวแม้แต่น้อย แม้เสียงเจ้าป่าจะสะเทือนกล้องในที่ไม่ไกลใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อท่านย่างผ่านไปเจ้าป่านั้นเองเป็นผู้หมอบคอยสงบเพราะมันยำเกรงอย่างยิ่งสัญชตาตญาณทำให้มันรู้ว่าร่างนั้นคือผู้ทรงอำนาจมากด้วยเมตตาคุณมีรัศมีครอบกาย หนึ่งวันสองวันสามวันผ่านไปมีแต่เดินบุกลุยปีนผาหินมุดซอกถ้ำคลานลอดขอนไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางข้าวไม่ได้กินอาศัยน้ำพอประทังชีวิตสามวันนั้นท่านประจักษ์ใจว่า ป่านี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเสียจริงๆกี่สิบกี่ร้อยกิโลเมตรก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอบ้านคนหรือแม้แต่ทางคนเดินเลยแล้วจะออกไปได้อย่างไรท่านพ่อหลีท่านว่าความเหนื่อยล้าเป็นอุปสรรคสำหรับคนเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลหรือหลงทาง ย่อมดีกว่าเดินทางผิดหรือมีจิตตั้งไว้ผิดเพราะการครบหากับคนที่ไม่ดีคนที่พอจะดีได้กับกลายเป็นคนชั่วไปเสียหนี่เปรียบเหมือนทางที่รกรุงรังเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยแม้จะเป็นทางตรงจะถือว่าเป็นทางที่ดีก็ไม่ได้ส่วนคนที่คบหากับกัลยาณมิตร มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมดียิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนทางป่าที่รกรงรั ง, งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม่ร้อนแม้จะเป็นทางอ้อมก็ถือว่าเป็นทางที่ดีได้ด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนแรงหมดสพพกำลังมีเพียงลมหายใจที่แผ่วเบา ท่ามกลางสรรพสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นตายหรืออยู่ก็มีบุญกรรมเป็นเพื่อนสองท่านหยุดพักปูพะยงพลาสติกผืนน้อยกันชืน้นนั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ใบดกนาผูกเชือกรัดต้นไม้การกดกำหนดสตินอนแล้วหลับไป ทางที่ท่านกลางกรดนอนพักนั้นท่านหาทราบไม่ว่าเป็นทางสัตว์ใหญ่ผ่านไปมาท่านนอนสบายจนถึงรุ่งเช้าอีกวันร่างกายสดชื่นเมื่อได้พักผ่อนมองทอดเทือเขาอันติดกันเป็นพืชสูงสูงต่ำต่ำงามวิจิตด้วยแสงแรกแห่งตะวัน าศาสตร์ซองเป็นลำผ่านช่องแมกไม้เป็นแฉกสีรุ้งวิหกบินออกจากรังเป็นสายเสียงเซงแซ่เป็นสัญญาณบอกว่าที่วาการเริ่มแล้วเมื่อท่านตื่นนอนกำหนดสติดังราชสีเห็นว่าทิศที่หันหัวลงนอนไม่ได้เป็นเช่นนี้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 รันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรท่านถามตัวเองผีมนุษย์อสุรกายนาคาครุฑเทวดาหรือพระพรหมที่ไหนอาจสามารถทำเช่นนี้ได้หรือว่าเราเป็นคนบ้าเป็นคนหลงสติไปเสียแล้วนี่จึงนอนกลับหัวกลับทิศ จึงจำทิศทางที่ตรงเองนอนไม่ได้อย่างนี้ต้องพิสูจน์กันหน่อยเรานี้มีครูดีสั่งสอนมาไม่ใช่ย่อยจะมามัวนั่งละห้อยคิดให้เสียการนานช้าไปใหญ่ท่านบ่นพึมพำในใจแล้วจึงตัดสินใจเข้าสมาธิดูภาพย้อนหลัง ฟังฟังดูเหมือนในหนังละครทีวีรีเพลย์เทปกลับมาดูได้ใหม่มาถึงตอนนี้ผู้เขียนอดใจไม่ไหวจึงรีบแทรกถามหลวงปูรีผ่าแดงขึ้นมาทันทีว่าเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วย้อนกลับไปดูได้อีกหรือปู่มท่านตอบเป็นภาษาอีสานพร้อมด้วยรอยยิ้มอันแสนจะน่ารักว่า เป็นอย่างสิบใดทําไมจะไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านระลึกชาติย้อนหลังได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแสนชาตินี่เพิ่งผ่านมาคืนเดียวทําไมจะระลึกย้อนดูอดีตนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านจะมาสอนสัตว์โลกที่โง่อ ง, องงายได้หรือถ้าท่านไม่แน่จริง อย่างฉะฉานอาจหารทำให้เราหมอบทั้งกายใจและแววตาแล้วจากนั้นท่านพ่อหลีท่านทำยังไงครับผู้เขียนเรียนถามหลวงปู่หลีท่านก็เข้าสมาธิภาวนาน่ะสิท่านตอบแล้วก็เมตตาเล่าต่อจนพระเนนที่ฟังกันอยู่อ้าปากค้างบังองค์ป่านนี้ยังไม่ได้งับปากเลย เสร็จจากงานเขียนหนังสือเรื่องนี้แล้วจะไปนิมนต์ให้ท่านงับปากซะเดี๋ยวลมเข้าท้องแตกตายก่อนเพราะความเพลินที่ได้ฟังสิ่งดีๆที่ท่านเล่าก็พระอริยะเจ้าเป็นผู้เล่าให้เราฟังเราควรจะภูมิใจกระหยิมสักเพียงใดเพียงเห็นท่านก็เป็นทัศนานนตริยะแล้วแต่นี่ได้นั่งสนทนาคลิๆ จะประเสริฐเพิ่มขึ้นอีกเพียงไรแล้วท่านหลู่หลีก็เล่าด้วยความนิ่มนวนต่อไปว่าท่านพอลีประคองร่างอันผอมบางขัดสมาธิเมื่อภาวนาท่านได้เกิดความรู้ในญาณขึ้นมองทะลุภาพในอดีตว่า<ม>เห็นร่างท่านเองนอนหลับสนิทในกร ด, ดน้อยใต้ร่มไม้ใหญ่ อัในใดนั่นเองมีสัตว์ใหญ่เงาสีเทาร่างดำทึบเยื้องย่างผ่านเข้ามาเหมือนภูเขาลูก น, น้อยเคลื่อนที่ได้สักพักปรากฏรูปได้เห็นชัด น, นั่นคือช้างใหญ่ท่านได้นอนขวางทางช้างโขงใหญ่ตัวจากฝูงเดินนำมาก่อน เมื่อมาเห็นร่างท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ในกรดผ้าบางๆมันหลีกเลี่ยงเดินเหาะย่างรอบๆห่างๆมันเห็นรัศมีในกายระยับเหมือนกายทิ่ที่เทวดาเฝ้าคุ้มครองมันตาตกหมอบลงเฝ้าอย่างพิศวงมันรู้ด้วยสัญชตาตญาณว่าร่างนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม มันมีควรบังอาจรบกวนหรือให้สัตว์อื่นรบกวนแต่ทางนั้นเป็นทางช้างผ่านมันต้องย้ายร่างของท่านไวที่อื่นก่อนด้วยบุญกรรมในบุกเพชาติที่มีต่อกันภาษาใจที่สื่อสารทำให้มันเกิดความรักและเคารพต่อท่านในทันที มันจึงปฏิบัติต่อท่านด้วยความระมุลละไมยค่อยๆเอางวงที่ใหญ่ยาวมีเรียวแรงมหาศาลอุ้มท่านที่หลับสนิทย้ายไปอีกฟากหนึ่งในที่ไม่ไกลนักเหมือนย้ายปุยนุ่นมันค่อยๆเอางวงจับที่นอนมาปูและบริขารอื่นเอาท่านมาวางเอาเชือกมาผูก แล้วจึงย้ายกรดมาห้อยดึงผ้ากรดปิดลงให้เรียบร้อยมันทำอย่างแนบเนียนและมีสติเหมือนกับมนุษย์ผู้ฉลาดธทมเสร็จแล้วยืนขวางกั้นอยู่เมื่อมันจัดที่นอนถวายท่านเสร็จฝูงช้างนับร้อยก็กรูเข้ามารอบทิศแต่ผ่านตรงที่ท่านพ่อหลีนอนไม่ได้ ช้างใหญ่นั้นได้ยืนเอาตัวขวางอยู่ไม่ให้ช้างตัวใดมากราำกลายล่วงเกินได้เมื่อตัวใดเข้ามาใกล้จะรบกวนมันก็ขู่และเอาตัวเบียดให้หนีเมื่อฝูงช้างไปหมดมันเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วตัวมันจึงตามไปทีหลังอัศจรรย์จริงๆนะปู่ ผู้เขียนกราบเรียนหลวงปู่หลีกุศลธโรวิมุตติพระดิพานอัศจรรย์ยิ่งกว่า น, นี้อีกนะท่านหลวงปู่หลีกล่าวถึงบรมธรรมอัศจรรย์จนเป็นเล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อเดีย๋ยวเขาหาว่าบ้าทาญญาำอยากน่าคิด เล่าต่อทํากลางสายฝนพรำฟ้าร้องโครมครามว่าช้างตัวนั้นมันก็มีธรรมเหมือนกันนะมันมาช่วยชีวิตและท่านพลีก็ได้อาศัยเดินตามทางช้างนั้นออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยหลวงปูลีเล่าพร้อมยกแก้วน้าขึ้นฉันอย่างอริยมุนีที่มีสติรอบกาย แล้วเล่าต่ออีกเหมือนเพิ่มรสเด็ดให้อาหารจานโปรดในทางธรรมว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็มีจิตอันเดียวผู้ไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีในโลกบางทีเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยบวชเคยเป็นเพื่อนจิตอันเดียวกันนี้แหละแต่เสววิบากกรรมต่างกัน ทำให้ชาตินี้เขาเกิดมาเป็นช้างแต่ก่อนเขาคงมีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านพล่ลีคงเป็นศิษย์อาจารย์กันมาอย่าว่าแต่ช้างเลยท่านพวกเรานี้เกิดตายเป็นสัตว์มาสักเท่าไหร่มีใครรู้เห็นได้บ้างพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีศีลธรรมให้รักษามนุษย์สมบัติเอาไว้ จะตายไปเกิดเหมือนสัตว์ทั้งหลายให้สังเกตง่ายๆนะท่านกล่าวย้ำอย่างน่าสนใจให้นําไปคิดถึงตนเองถ้าจิตใจวุ่นวายจะตายไปเกิดเป็นสัตว์ทันทีท่านพูดจบแล้วยิ้มน้อยๆแต่พองามวันนั้นผู้เขียนได้ถามถึงประวัติทัานด้วยแม่ฝนจะตก ฟ้าจะร้องอันเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวท่านก็ยังเมตตาสนทนาเป็นเวลานา น, านถึงสามชั่วโมงกว่านี่แหละท่านทั้งหลายโบราณท่านจึงว่าคนดีผีคุ้มพระดีมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษาคนมีบุญไม่จนตรอกจนมุงท่านพ่อหลี ัทโธท่านทำให้เราเห็นประจักษ์ในแง่มุมต่างๆทางพระพุทธศาสนาโลกนี้โลกหน้าบุญธรรมกรรมแต่งท่านผู้วิเศษสิทธิพัฒฐาคดเจ้ายังมีอยู่จริงและคติสอนใจอื่นๆอีกมากนับว่าเป็นบุญวาสนาแห่งจักสุและสวนประสาทที่เราได้รับรู้เรื่องของท่าน ถึงกายตายแต่ความดีท่านยังคงอยู่ความดีนี้เองเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้า